อินวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทรรในวันที่12มีนาคม2558มีชื่อเร่องว่าทำความดีแม้อายุสั้นดีกว่าทำชั่วทุกวันอายุยืนยาว วันนี้เป็นวันที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพหรห้าสบดวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสามเพราะว่าวันที่ผ่านมาเป็นวันมาข้าบูชาวันพระที่ผ่านมานี่เป็นแรมแต่ตามไม่จริงถ้าไม่ใช่แปดสองโหนนะ เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเดือนสี่แล้วล่ะแต่นี่ยังจัดว่าเป็นเดือนสามอยู่เพราะว่าปีนี้8ปดสองหนดังนั้นวันนี้เป็นวันพระแรมแปดข้าพวกเราเป็นวันทำรร ม, มัตสวนะเป็นวันปฏิบัติธรรมหรือเป็นวันรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์อย่างที่พวกเราเคยทำมาโดยตลอด น, นั้นขอให้พวกเราคณะสัาญาติโจมทุกท่านตลอดถึงหมู่พระสงฆ์ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจสรลัแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราอันไหนคือความดีอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ เพราะพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าให้เปล่าประโยชน์อยาคิดว่าชีวิตนี้จะยืนยาวแล้วก็คิดว่าตัวเองจะครองโลกจะอยู่ไปนานเท่านานอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตของเราจะสั้นตายเร็ว จนไม่ทำคุณงามความดีอะไรเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเพราะนั้นให้เรารู้ทั้งสองเงื่อนถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่ยาวนานก็ให้มีประกอบให้ประกอบคุณงามความดีถึงจะมีอายุสั้นเราก็ให้ประกอบคุณงามความดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ถ้าหากว่าผู้มีอายุยืนยาวแต่ทําแต่ความชั่วความชั่วของคนนั้นท่านผู้นั้นก็พอกพูนมากมายเพราะเ ห, เหตุไรเพราะทําแต่ความชั่วทําแต่กรรมชั่วอันไหนที่กรรมชั่วขนเข้ามาหาตัวเองกรรมชั่วนั่นคืออะไรคือไม่มีศีลไม่มีศีลห้าเนี่ยถ้าหว่าผู้ที่อายุน้อยแต่ว่า อยู่ในความไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีสมาธิมีปัญญาถึงจะมีอายุน้อยก็มีคุณค่าในการนำลงชีพของตนเองถ้าหากว่ามีชีวิตยืนยาวก็ยิ่งเป็นประโยชน์มีแต่คุณงามความดีสังสมเข้าไปนี่แหละอันนี้สุบแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ พวกเราประกอบแต่คุณงามความดีถึงจะมีเอาชีวิตน้อยหรือมีชีวิตยาวก็ให้เต็มไปด้วยคุณงามความดีแต่ถึงยังไงชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายแต่พุทธศาสนาเหมือนกับพวกเราเอาความตายมาขู่กันทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ตามไม่จริงสำหรับพระหรือว่า ผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็ให้ระลึกถึงความตายในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอมรณงเมภาวิสติไม่นานไม่ยังไม่รู้ว่าเวลาไหนข้าพระเจ้าจะต้องตายมรณงแปลว่าข้าพระเจ้าเมแปลว่าฆ่ามรณนะไม่รู้ว่าวันไหน ข้าจะต้องจะต้องตายเพราะนั้นข้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อศาสนาต่อตนเองให้ทําสิ่งนั้นให้มากที่สุดดีที่สุดถูกต้องที่สุดสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าลิธทำในสิ่งที่มันไม่ดี ถ้าเมื่อทําสิ่งที่มันไม่ดีกรรมไม่ดีนั่นแหละถึงจะพบนี้ชาตินี้ก็เถอะถึงจะมีชีวิตไม่ยืนยาวแต่ทําแต่กรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะเป็นที่ตําหนิของคู่ขนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมองไปแล้วก็ไม่สบายใจผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเราเองรู้เราได้ศึกษาเราเราเราได้เรียนรู้ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าในเรียนรู้แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้เพราะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งเป็นวันปฏิบัติธรรมเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์จบลงไปแล้วอย่างอย่างนี้หลวงพ่อก็จะได้กล่าว สัมโมทนายกถาสิ่งที่ควรเราให้รำลึกถึงสิ่งที่พวกเราควรจะให้รับรู้รับทราบอย่างหลวงพ่อเตือนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างนี้ให้ประกอบคุณงามความดีถ้าว่าเราประกอบคุณงามความดีถึงจะมีอายุยืนก็เต็มไปด้วยคุณงามความดียาวนานแต่ถ้าว่าเราอายุสั้นเราก็เป็นต้อง เสียใจเพราะว่าชีวิตของเรามันของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่แล้วแต่ให้ประกอบคุณงามความดีเหมือนกันให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีอันนี้แหละล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สรุปละก็คือถึงจะอายุสั้นยาวก็ให้มีให้ประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแล้วก็การประกอบคุณงามความดีในหลักธรรมคำสอน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินอย่างไรโดยมากหลวงพ่อจะพอพูดขึ้นมาหลวงพ่อไม่รู้จะยกเอาท่านผู้ใดเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างก็ยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ยอยู่ตามลำพังนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้พิธีการเบื้องต้นพระพุทธเจ้าในคืนเย็นในวันนั้นที่พระ อ, องค์ได้เข้าสู่กฎเกณฑ์ที่พระ อ, องค์จะได้ตรัสรู้ ในคืนวันนั้นท่านเข้าจุดนี้ก่อนวิธีการทาท่านทาอย่างนี้ก่อนกำหนดลมหายใจเข้าจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตพระไทยใจของพระ อ, องค์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมกูจกจับนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะใจไม่ได้คิดไปใน ในสถานที่ต่างๆใจไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานเมื่อพระทายใจขององค์รวมสงบเป็นหนึ่ ง, งเกิดยานะทัตเกิดยานเกิดฌานเกิดญาณะทัศนะเกิดฌานขึ้นมาระลึกชาติผนหลังได้อันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งหรือว่าอย่างหนึ่งที่พวกเราจะสำนึกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มาพูดถึงแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านก็แนวแถวของพุทธะเหมือนกันแต่นั่งคัดจมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้นั่งปนมปนมือไปนมมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์และประกาศพระธรรมคําสอนให้พวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติจากนั้นพระสงฆ์ได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มาบอกประกาศประกาศบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติเราจึงไหว้พระพุทธเจ้าเสียก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นค่อยเอามือลงทับกันเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้า หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธญานุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเราบริกรรมหายใจเข้าพดหรือว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออ ก, ออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายหลวงปู่มั่นท่านก็ได้สอนศิทธญานุสิทธิท์ว่า ให้สำทับด้วยพุทธโธอีกนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุทโ ท, ท, โ ท, ท, โ ท, ท, โทอันนี้คือท่านให้ภาวนากรรมบริกรรมกรรมฐานพุทโธแต่ตามไม่เจียงกับพระพุทธเจ้าท่านอะเพียงแต่กาหนดลมหายใจเข้า รัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพุทธอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราสายหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติตามแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสที่ท่านได้ดำเนินมาที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นพระธรรมคาสอนเพราะนั้นหลวงปู่มั่นก็ยึด แนวแถวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเพิ่มคําบริกรรมเข้าไปแบบพุทธกับโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตยาญาโจโฉมพระเนนทั้งหลายให้มาศึกษาตามแนวแถวสายเนี้ยสายหลวงปู่มั่นอย่าไปภาวนาอย่างอื่นท่านสอบอย่างอื่นเราออกจากที่นี่ไปแล้วออกจากวัดหลวงพ่อไปแล้วนะ เราจะไปภาวนาอย่างไรเราก็เอาเอ า, เอาตามต้องการตามอรไทยาใส่แต่ถ้ามาอยู่ที่นี่เราก็ยึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านพาดำเนินแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เราภาวนาไปแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยค่อยมาถามหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็จะเปลี่ยนก็ว่าแนะแนววิธีการปฏิบัติให้กับพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกัน หลวงพ่อจะแนะแนวอีกทีหนึงว่ามันเป็นยังไงบางทนมักปวดหัวบางแน่นหน้าอกบางใจจะขาดบางหมดจะหมดลม ม, มันมีหลายๆอย่างแต่หลวงพ่อบอกกล่าวไว้เลยว่ากรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแนะนําสั่งสอนเนี่ยท่านให้มีแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่าไปแพ่งอย่าไปกึง่งอย่าไปแกลงมันมากเกินไปแต่ให้ตั้งสติให้แน่วแน่ ทำให้แบ บ, แ บ, บส บ, บายๆกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นแล้วแล้วก็บริกรรมเข้าหาเข้าหายใจเข้าพดหายใจออกโทนี่แหละอันนี้ก็คือที่องค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านแนะนำได้ผลมาแล้ว ท่านจะมาแนะนำท่านองค์ไหนท่านก็ยึดตามแนวแถวนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยึดตามแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลวงพ่อพ่อมั่นใจเออมั่นใจเท่าไหร่เกินร้อยนะมีเท่าไหร่เกินนั้น อ, อว่าแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานีอ่อืให้ยึดตามแนวแถวนี้เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้ว อันนั้นยังค่อยว่ากันอีกจะเดินวิปัสสนาอย่างไรอันนี้คือสมถัถะคือทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานมั่นคงแล้วเราจะเดินวิปัสสนาอย่างไรอันนั้นค่อยมาพูดกันอีกทีนึงมันไม่ใช่แต่เพียงถ้าเมื่อเราเรียนกอไก่ถึงหอนองหูจกจบแล้ว เ, เราจะทำยังไงต่อไปนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเราทำสมาธิทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะนำจิตที่ผ่านความสงบที่เป็นหนึ่งแล้วนะมาพิจารณาทางวิปัสสนาอย่างไรอันนั้นแหละต้องศึกษาอีกเลยมนะันมีหลายขั้นตอนต่อไปภายภาคหน้านะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติษฐาพระเนนทุกองค์น ะ, ะให้ภาวนาให้สม่ำเสมอ อย่าไปเห็นแก่โม้อย่าไปเห็นแก่คุยอย่าไปเห็นแก่ชงจิตชงใจออกไปข้างนอกให้ดูตัวเองให้มองตนเองให้ดูตนเองถ้าจิตใจข้าวไห น, นมัน ค, คึกมันขนองมันมองโลกเป็นสวรรค์วิมานมันจะเกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นให้เบิกดูให้เอามารณะนุตติเข้ามากำกับ เอ้ยตายนะตายนะตายนะตายนะยต้องดอูจากนั้นก็ดูถ้ามมันเห็นความสวยงามของโลกให้พิจารณาดูร่างกายของตนเองอย่างที่พวกเราได้พิจารณาอย่างเกสาผมโวมาขนนักขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังจับแยกส่วนแบ่งส่วนออกซ์อย่างที่พวกเราได้ท่องสาธยายเกสาผมถอนผมอกกองนั่ง ขนกองหนึ่งเล็บกองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังไว้กองหนึ่งเนื้อไว้กองหนึ่งเอ็นไว้กองหนึ่งกระดูกไว้กองหนึ่งตับปอดไส้เอาไว้คนละกองละกองกันหน่อยใครเข้า่าแจกส่วนแบ่งส่วนรู้สิอาการในร่างกายของเราอันไหนคือเราเใจถามใจตัวเองเฮ้ยใจอันไหนคือเราเ อ, อผมเป็นเราใช่ไหม ขนเป็นเราใช่ไม้มเล็บเป็นเราใช่ไหมฟันเป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมถามดูสิถามดูใจของตัวเองเมื่อมันเป็นกองกองนะใจของเราจะไปว่าของเราได้อย่างใช่เป็นของเราจริงอยู่แต่มันมันมันมันพร้อมที่จะแตกตายสลาอไม่มีแต่มันจะสลายลงสีจู่ดินน้ำลมไฟมีแต่มันจะเน่าเท่านั้ น, า น, น Jeju, ทาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใจของเราใจเราเนะี่ยหลงกายใช่ไหมใจ ถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเสร็จสวยงดงามใช่ไหมใจถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมยอมรับได้ไมมใจใช่ไหมหรือไม่เป็นอย่างนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่เรา Hungarian, ไม่ได้นึกได้คิดเท่านั้นเองมันยังเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแต่เรานึกคิดแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละอันนี้ก็คือ ให้พวกเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใชไ่ไม่ใช่หลอกนะไม่ใช่โกหกนะไม่ใช่อุปโลกกันขึ้นมีแต่กิเลสของพวกเรานะอุปโลกขึ้นสดชัดสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ไพเราะอย่างนี้มีแต่แปลงปั้นแต่งแปลงปั้นขึ้นมาให้มันหลงแต่ตามไม่จริงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นตามความเป็นจริงนะ มันไม่ไไม่ใช่หลงอื่นไกลนะใจของเรามันหลงกายนะอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเมื่อก่อนพยาจิตรราชหลงกายยนครนะหลวงพ่อวา่ามันหลงร่างกายตัวเองว่าจะอยู่จีรังถาวร น, นานเท่านานแต่ที่แท้ไม่ไม่เป็นอย่างที่พยาจิตรราชปรารถนานะไม่รู้ว่ามันจะไปวันไหนเวลาใดเราก็ไม่ทราบเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะ สมัทฐาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแนวแถวหลวงปู่มั่นตอเราจะเดินวิปัสสนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดย้บให้ฟังแล้วจะทำใจยังไงยังค่อยดูอีกที่หนึ่งศึกษาไปอีกจุดหนึ่งเพราะวิชาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าเรียนกอไก่แล้วจะจบทุกอย่างไม่ใช่มันต้องมีหลายวิชาที่พวกเราจะต้องเรียนรูนะ้นี่ก็เหมือนกัน เราเรียนกรรมฐานอันหนึ่งแล้วจะจบหมดทุกอย่างจะแดวงว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ห่วยมากนะฮะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเลิศประเสริฐที่สุดในโลกเราพูดอย่างนั้นได้เพออราะอหละเมื่อเราเรียนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเราถอนกิเลสราคะโทสะโมหะใน จ, ใจิตใจไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสา ร, รนี่แหละถอนพบถอนชาติธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่วิชาทางโลกเหมือนกับ มดไตกระดองอย่างนั้นอ่ะมดไตขอบกระลำ ม, มังอย่างนั้ น, น่ะว น, นไปวนมาวนไปว่าตัวเองเดินไปไกลแสนไกลแต่ที่แท้มันมันวนอยู่ในโลกวัทรสงสารเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณแต่ทำคำสอนของพุทธเจ้าตัดเดินออกตัดออกจากขอบกระดองขอบกระลำ ม, มังเข้าสู่นิพพานนี่แหละ ขอให้พวกเราคณะจตหาญาดโยมพระเนรลูกหลานทุกคนนะ้น้องหนุ่งทุกองคนะ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาคือความตั้งใจแนละความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัตินะแล้ววันนี้หลวงพ่อจะขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะจะขอพักพ่อนหะแล้วให้ครูบาเอาเทศหลวงพ่อให้ฟังอีกสักกันหนึ่งพวกเรามาเพื่อการศึกษานะเพื่อการเรียนรู้นะ หลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังบางทีอาจจะมีแนวความคิดแล้วก็ฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยเอาตอนนี้ไปนั่งคัดสมาธิฟังทัดนี้นะในเมื่อเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราปนมมือขึ้นแล้ววางอกแล้วก็ไหว้ครูสุขอนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ จากน้อยค่อยเอามือลงเมื่อลงเราจะภาวนาแผ่เมตตาอีกได้สักรอบหนึ่งทำให้จิตใจของเราอ่อนน้อมอไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเมื่อเอามือลงแล้วเราบริกรรมข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุ ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเทินนะคิดในใจอย่างนั้นเช่ก่อนอันนี้คือแผ่เมตตาครอบจักรวาลจากนั้นกับบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทเมื่อเราภาวนาเออเอาพอเราก็อุทิศส่วนกุศลบุญข้าพเจ้าที่ได้บาเพ็ญในวันนี้ ถึงจะมากน้อยอย่างไงด้วยความตั้งใจของข้าพเจ้าบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงในอดีตกดีในปัจจุบันก็ดีข้าพเจ้าที่ส่วนกุศลที่มีอยู่ต่อผู้มีวพักคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติญาติตาาาาตาตมิตรสหายขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางด้านจิตใจทันมีถ้ามีความทุกข์ให้พ้นจากทุกมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขจริงจริงขึ้นไป ถ้าท่านผู้ใด ย, ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่พี่น้องวงสาคนาญาติยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญจริงด้วยอายุวันณนะสุขะภาละลาบยศสลรเสริญสุขทุกทุกท่านนะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิทุกครั้งนะจากนั้นค่อยๆออกจากสมาธินะให้ปฏิบัติตามนี้มีแต่ความร่มเย็นผาสุขเวรภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เวรกรรมเก่าจริงๆ ที่จะเป็นเวรใหม่กรรมใหม่ก่อไม่ถึงก่อไม่ถูกเพราะอะไรเพราะเราไม่รับเขาจะก่อมาแต่เราไม่รับเรามีแต่เมตตานะแต่ถ้าว่าเรากับไม่มีเมตตากับเขาเขาก็ไม่มีมมเมตตากับเราดนะ้านั้นก่อกกรรมทำเขียนกันได้ง่ายๆด้านะนะันเพราะงั้นพวกเราให้ฝึกหัดแผ่เมตตาไว้นะดีที่สุดนะ ตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ